เรื่องตอนนี้เลยนะครับในตะเกียงตอนนี้เลยนะครับถ้ามียักษ์ 3 ข้อผมคงขอในสิ่งที่ไม่ คุณจะเห็นว่าอยู่ๆได้ๆ3ๆๆ การขอบางสิ่งได้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นเท่า 91 หรือ 95 รถ 95 แต่ 91 หรือดีเซลมาให้ก็จบเฮหากมองอยู่ในขอบเขตความเป็นจริงกว่านั้นคือ ผมต้องมีเงินมาเติมน้ำมันที่พร่องลงไปเงินนั้นมาจากงานหรือไม่ก็บุญเก่าอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ๆหากมีน้ำมันเอ่อขึ้นมาเองระบบความจริงจะถูกรบกวนเป็นทอดๆรถผมต้องวิ่งด้วยพลังลึกลับบางอย่างที่ชวนหวาดผวามากกว่าน่าภูมิใจต้นเขาวงมันไม่ได้มาจากงานของผมไม่ได้มาจากเงินของผมไม่ได้มาจากการที่ผมเอารถเข้าปั๊มไม่ได้มาจากเด็กปั๊มผู้มีหน้าที่เสียบหัวจ่ายเข้าช่องรับการขาดหายของเหตุเป็นทอดๆนั้น คือการปรากฏตัวของผลการปรากฏตัวของผลซึ่งคุณไม่อาจพยากรณ์ได้ๆ คุณพอจะนึกออกหรือยังว่า จึงรุ่งใกล้ตัวมากขึ้นสําหรับผู้ชายๆทั้งสิ้น เธอคนที่ไม่ควรจะมีตัวตนแต่กลับมีตัวตนขึ้นมาได้นี่เป็นยังไงคนที่ไม่ควรๆไม่ได้เลยเอาแค่ง่ายๆนะครับคุณทําอะไร ทุกอย่างมีความสอดคล้องอธิบายได้หากจะมีมนุษย์ ก็ย่อมไม่เห็นความสําคัญของเหตุผลเห็น ตกระกำลําบากยากจนข้นแขนตั้งแต่เพิ่งหายใจ ขึ้นต้นมาก็มีๆทั้งนั้นประโยคสอดรับจากต้นชนปลาย เพราะเป็นเรื่องเล่นๆดูหลงๆถ้าเกิดมาๆ เมื่อใครเคยตั้งมูลนิธิช่วยคนอนาถาใครจะเคยขาด ธรรมชาติกลับความไม่รู้เหมือนเหมือนกันให้ปั้นใครขึ้นมาเป็นตัวแทนธรรมชาติเรื่องของความ สุนันนธรรมชาติจัดสรรมหรสพแห่งความจริงให้คนเกือบ 200,000 ได้ชมกันทุก ไม่ใช่แคบเดียวภาพล่วงตายังไม่ทุก